ก็บอกว่าถูกแล้วการที่าจรนาที่ถูกต้องนะตันหาลดลงนะไอ้ตันหาลดล ง, นนะ อ, ลดลงอันนี้ถูกถูกต้องตรงแต่แต่สิ่งที่ควรเพิ่มคือสับ tin c เนี่ย น, นี่ควรเพิ่มวิริยิน c เนี่ยควรเพิ่มสติน c ควรเพิ่มสมาิน n ีก็ควรเพิ่มเมื่อเราอย่างนึกอย่างเรามานัสิการถึงชาติชรามรนาะโสกะปริเทวะทุก ท, ทรมนัสอุปายาต ประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักพราพลาดจากของรักความปรารถนาทั้งหลายก็ไม่สมหวังซึ่งโดยย่อของความทุกข์เหล่านั้นก็คือขันธ์ห้าหรืออายตนะภายในหกเนี่ยนะตาหูจมูกิ้นกายใจในั่นแหละคือตัวทุกข์เมื่อสิ่งนั้นเป็นตัวทุกข์เนี่ยนะเรามาณเจริญเนาะไปในลักษณะสัตคินร์ซีอย่างอย่างเมื่อกี้ก็ได้ว่าพระพุทธเจ้ากาหนดรู้ชรามรณะเสร็จแล้วหนอ ถ้าเราจะพิจารณาเพื่อเจริญสัตทินรีใช่ไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยทำปริญญาในชาราและมรณะพระองค์นี้ทําที่สุดแห่งชาราและมรณะแล้วนะไม่มีชารามรณะใดที่พระพุทธเจ้าไม่ไม่ทําปริญญาไม่มีแล้วตัวพระองค์เองนั้นก็มีชารามรณะเป็นสุดท้ายหมายความว่าหลังจากนี้ไปพระองค์ก็เลิกชาราและมรณะ คำสอนที่พระพุทธเจ้าเอามาสอนทั้งหมดสอนเพื่อดับชราและมรณะเนี่ยนะบำเพ็ญบารมีทั้งหมดเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายบำเพ็ญอยู่ในข้อปฏิบัติเพื่อดับชราและมรณะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังมีความสุขมากๆนะัมันขัดมากต่อการพิจารณาอริยสัจคือคือถ้าว่าโดยรวมๆเลยนะกำลังเพลิดเพลินเต็มที่เลยนะยากที่จะพิจารณาอริยสัจเพราะฉะนั้นสังเวกขาวัตถุเน้นับว่าสําคัญมากเนละถ้าหากว่าเรา น้อมมนาสิการสังขารรายๆก็ไม่เห็นหน้าเพลิดเพลินแม้แต่สังขารเดียวการที่เราน้อมไปเพื่อละลึกถึงอริยสัจเนี่ยนะโดยเฉพาะนิโรธสัจเราจะเห็นคุณนะเห็นคุณว่านิโรธสัจจะนั้นสงบประงับดับสังขารทั้งมวลเหล่านี้เนี่ยนะเน่ก็มาดูสำคัญว่าอริยมรรคคือญาณ น, นะนิยานิกรทธรรมเนี่ยธรรมที่จะนาออกจากสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นควรแล้วที่เราจะต้อง เร่งเจริญคุณธรรมที่นําออกจากทุกนะคุณธรรมที่นําออกจากทุกอย่างพระโสดาบันเลยก็มีศีละสิกขาที่บริบูรณ์ใช่ไหมท่านมีนิยานิกรรมคืออารยมรดโดยเฉพาะศีลสิกขาที่มั่นคงเนี่ยเป็นตัวที่นําออกจากทุกขแล้วเราทั้งหลายมีสิกขาใดบ้างเนี่ยสิกขาใดที่ยังไม่เพิ่มก็จะได้รีบเพิ่มได้รีบเจริญขึ้นแล้วก็ก็ะยิ่มมั่นใจว่ากุศลธรรมเหล่านี้จะนําเราออกจากชราและมรณะ ท่านเปโสดาล่รู no you know. ้สึกต no ัวมีครับท่านป่วยเหรอหรือว่าท่านสลบต่อท่านไม่รู้สึกตัวสเร็จโสดาบันมีไหมังเรียนไม่ถึงาเกิดปัญหาต่อจะพ่าถ้าสมมาสรุปโสดาบันา่ก็ไปเกิดเป็นมเขาจะเจริญโดยที่ไม่มีผู้พูศาสนาเขาจะเจริญยังหรือว่าเขาจะพิจารณาเขาเองิจารณาและุ ถ้าถ้าเป็นเทวดาเนี่ยจะไม่มีปัญหาถ้าถ้าตายจากมนุษย์แล้วไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยนะพวกนี้เลึกชาติได้ทั้งหมดแต่ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในสมัยที่ไม่มีคําสอนเลยเนี่ยน ะ, ะท่านไม่นับถือมิจฉาทิฐิบุคคลอันนี้แน่นอนตายตัวว่าคําสอนใดที่จะเป็นไปเพื่อมิจฉาทิฐิจะไม่มีโดยไม่มีโดยอัธยาศัยของท่าน แล้วก็ที่แน่นอนเลยก็คือท่านไม่ทุศีนโดยประการทั้งปวงโดยเฉพาะศีนห้าเนี่ยนะจะด้วยเหตุผลใดเงื่อนไขใดก็ตามถึงท่านไม่รู้ว่าท่านเป็นพรทศดาบันก็ตามในภพหลังนะท่านก็ไม่ผิดศีนอันนี้นี่คือความแน่นอนแม้แต่มดท่านเจตนาที่คิดฆ่ายังไม่มีเลยจะกล่าวไปยายถึงลงมือเนี่ยนะอันนั้นถ้าถ้าคุณธทำความเป็นพรทศดาบันเนี่ยนะเพราะอันนี้สงของการทําปริญญาไว้ในอดีตชาติเนี่ยยิ่งใหญ่นะั ยิ่งใหญ่มากแล้วก็โดยเฉพาะการเห็นพระนิพพานในอดีตนี่เป็นการเห็นที่ที่เรียกว่าเป็นอา ร, รมณะที่ปฏิที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะไปไปเพลิดเพลิน อ, อ, อย่างอื่นได้แต่ชาติท่านสำเร็จเป็นโสดาบันนีท่านรู้จวงจะไหวไหมกันะไม่รู้ก็ไม่ใช่โสดาบันนะะั่นล่ะถ้าไม่รู้นะถ้าชาติที่บรรลุแล้วไม่รู้เออนี่โสดาบันนี่เป็นยังไงเนี่ยนะอันนี้เกินไปแล้วอันนี้ไม่ใช่ในาศาสนาต้องให้คนอื่นเขาบอกว่าเออท่านนี่โสดาบันนะ แกเนี่ยเอ้ยยังยงแกยังอ่ะคนนี้นั่นคนนั้นเป็นคนนี้เป็นถ้าต้องให้คนอื่นมาคอยพยากรณ์อย่างนี้นะก็ดูท่าใครถูกพยากา์ทีสงสัยจะหมดหลายตังเหมือนกันเลยค่าจ้างพยากา์เนี่ยหมดตัวเลยแหละมีมีบางท่านที่ลงมาเป็นมนุษย์ก็มีแต่ว่าอย่างพระพุทธศสในยุคของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะ ยังศึกษาไม่พบว่าใครที่ที่ลงมายอมลงมาเนี่ยนะไม่ค่อยมีอ่ะแต่อาจจะมีอยู่บ้างถ้าถ้าไม่มีอยู่บ้างพระองค์จะไม่ตรัสคือทำไมจึงว่ามีอ่ะนะเราก็ต้องนึกว่าจากพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งถึงอีกองค์หนึ่งเนี่ยมันนอนมากนานไม่รู้กี่พันล้านปีอ่ะมันเป็นพันล้านปีหรือหมื่นล้านปีก็ไม่น่าผิดะนะนดีไม่ดีก็ ไม่ใช่พันล้านตีดอกโทษทีเท่าไรรู้ไหมสอสงไข่เขาบอกว่าเกินอสองไข่ปีอะ่ะอสองไข่ปีคือเท่าไหรเลขศูนย์เลขหนึ่งตั้งเลยเลขศูนย์เนี่ยถอยท้ายร้อยสี่สิบตัวเนี่ยมากกว่านะั้นอะมากกว่าสอสงไข่ปีอะนะมันถามว่ากี่พันล้านปีจนลืมสนิทอะจนไม่มีใครรู้เลยว่าเคยมีพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ แทบไม่เคยอยู่ในความคิดเลยแหละนั่นนะก็ก็สมมตินอย่างพระพุทธเจ้ า, าของเราไปหาพระสีอานี่ก็ในจักรวัตสูตรกล่าวถึงพระเจ้าจักรพรรดิชื่อว่าทาหะเนมิเนี่ยนะสมัยเมื่อมนุษย์อายุแปดหมื่นปีนี่นะแปดหมื่น 8, ปีซึ่งพระเจ้าทาหะเนมิเนี่ยแสดงว่าเรื่องในอนาคตต่อไปก็พูดถึงว่าอีกสมัยหนึ่งนะพระเจ้าธาะเนมิเนี่ยมีอายุแปดหมื่นปี 8 0 0 0มื 80, ปีแล้วก็ลูกก็มีอายุเนี่ยแปืปีอย่างเงี้ยสืบทอดกันกี่รุ่นเจรุ่นเพราะรุ่นที่8เนี่ยลูกเลนคือคือรุ่นที่8ดเนี่ยนะคือมีพระเจ้าทานหาเนมิเนี่ยเป็นพันพระบุรุษ พ, พระราชาคนนี้เนี่ยปกครองตามมาติของตนไม่ได้เป็นจักรพรรดิหลังจากนั้นเนี่ยศีลธรรมก็เสื่อมลงเสื่อมลงมาเรื่อยๆจนมนุษย์อายุ10ปีตายเนี่ยนะ สิบปีตายรวมๆเขาเรียกว่าเป็นมิกรสัยีตายด้วยสัตว์ทันตรักบัขเคนฆ่ากันตายแล้วก็มนุษย์ค่อยๆพัฒนาอายุขึ้นไปจนถึง อ, อสงไขยปีแล้วลดมาเหลือแปด0มื่นปีเนี่ยจึงจะมีพระีอานมาตรสรูนั่นนะก็โอ้โรออีกนานแล้วก็ เออหลายพันล้านปีจริงๆใครจะรอก็รอเพราะในระหว่างเนี้ยเป็นไปได้ที่พระโสดาบันจะลงมาเป็นมนุษย์เมื่อท่านเห็นว่ากาลสมัยที่สมควรเพราะท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีอริยทรัพย์อยู่แล้วไม่ไม่น่าเป็นห่วงแต่มีถ้าไม่มีนี่พระ อ, องค์จะไม่ตรัสเนี่ยนะว่าภพที่แปดเนี่ยนะถึงท่านจะประมาทอย่างแรงกล้าก็ไม่ถือเอาภพที่แปดแต่อาจจะลงมาเป็นจักรพรรดิหรือลงมาเป็นพระราชามหากษัต ร, ริย์หรือเป็นมหาเศรษฐีอย่างไรอย่างหนึ่งเนี่ยนะซึ่งท่านเหล่านั้นเลือกเกิดได้อยู่แล้ว ต, ต่อล ง, งมาท <res> ีา่จำไม่ได้ครับจชาติหลังไม่ได้ก็มันไม่มีตัวอย่างอ่ะนะก็เลยถ้าตอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปก็นับว่าเสียงมากเพราะว่าไม่มีตัวอย่างประกอบเลยแต่ว่ามีบางนัยยะที่กล่าวไว้ในอัตถกถาว่าถึงท่านไม่รู้ว่าท่านเป็นทศดาบันท่านก็ไม่ฆ่าศัตว์โดยประการทั้งปวงอันนี้คือที่พบในหลักฐานมีอยู่เท่านั้น แล้วก็ที่อื่นๆก็ยังกำลังเรียนอยู่เดี๋ยวคุณมนมีอดใจแล้อย่ากแก่ตายซะก่อนนะ <c oughs> <c oughs> แต่เ้าเคยมีนะ ค, คนเขาซักมากเหมือนกันนะก็ <c oughs> ถามเรื่องไม่ใช่วิสัยทั้งนั้นเลยนะธรรมมาว่าไงบอกว่าและธรามมาจะไปถามใครเนี่ยย้อนมาอีกครั้งหนึ่งว่าการพิจารณาอริยสัจเนี่ยนะ ว่าเบื้องต้นนั้นผู้ที่ไม่รไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของการเจริญการพิจารณาอริยสัจนั้นหรือไม่เข้าใจทิศทางที่ชัดเจนเนี่ยนะไม่เข้าใจททิศทางที่ชัดเจนเนี่ยเป็นไปได้ที่พิจารณาอริยสัจแล้วไม่ไม่โมนัสเลยพิจารณาแล้วไม่ไม่ใคร่ครุไม่ไม่มีความสุขนักเนี่ยนะถามว่าเป็นอย่างนั้นเพราะอะไร เพราะว่าเขาเขาเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยหรือเห็นคุณของพระรัตนตรัยน้อยไปถามว่าเห็นคุณพระรัตนตรัยนี่เห็นคุณอย่างไรเธอเราทั้งหลายเนี่ยอารหังก็อารหังในคําส่วนใหญ่นะอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุปโตโลกวณฑูเราก็ได้แต่คำอะ่ะที่ที่พระองค์ก็ตรัสอยู่แล้วว่าอนาคตต่อไปเนี่ยคนจะจําได้แต่เฉพาะบาลีแต่เนื้อความไม่รู้ละนนะ ตอนนี้กเ็เหลือแต่บาลีเนื้อความแต่เรื่องที่ว่านี่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เพราะนั้นก็เป็นพอพูดถึงพระพุทธเจ้าก็คืออยู่ในโลกแห่งความฝันซะส่วนใหญ่พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเนอเป็นยังไงเนอก็ก็ไม่รู้เนั้นการเจริญพุทธคุณเนี่ยนะที่โดยเฉพาะบทว่าสัมมาสัมพุทโธเนี่ยนะเป็นบทที่ควรเจริญถ้าไม่อย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าในโลกของความคิดของเราไม่รู้พระองค์คือใครเนี่ยนะ โดยเฉพาะว่าเนื้อจากพระองค์นี้กําหนดรู้รู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งแล้วกําหนดรู left, weed, รสร leven, ร้สิ่งที่ควรกําหนดรู้แล้วละสิ่งที่ควรละแล้วเจริญสิ่งที่ควรเจริญแล้วทําให้แจ้งสิ่งที่ควรทําให้แจ้งแล้วนี่ก็มาสาธยายเพิ่มอีกใช่ไหมว่าพระองค์รู้อะไรจากขุ่พระองค์กําหนดรู้แล้วจากขู่สมุทยัยพระองค์ละแล้วจากขูนิโรธพระองค์ทําให้แจ้งแล้วจากขูนิโรทักามินีปฏิปทาพระองค์เจริญแล้ว โสตะพระองค์กําหนดรู้แล้วโสตะสมุทัยพระองค์ละแล้วโสตะนิโรธพระองค์ทําให้แจ้งแล้วโสต้านิโรธคามินีปฏิปทาพระองค์เจริญแล้วคาณะพระองค์กําหนดรู้แล้วคาณะสมุทัยพระองค์ละแล้วคาณะนิโรธพระองค์ทาให้แจ้งแล้วคานะนิโรธคามินีปฏิปทาพระองค์เจริญแล้วเนี่ยนะชิวหาพระองค์กําหนดรู้แล้วชิวหาสมุทัย พระองค์ละแล้วชิวหานิโร่พระองค์ทําให้แจ้งแล้วชิวหานิโร่ท่าขามินีปฏิปทาพระองค์อะไรพรองเจริญแล้วกายพระองค์กําหนดรู้แล้วกายยะสมุทัยพระองค์ละแล้วกายยะเนโร่พระองค์ทาให้แจ้งแล้วกายยะเนโร่ท่าขามินีปฏิปทาพระองค์เจริญแล้วมโนใจนี่นะพระองค์กําหนดรู้แล้วมโนสมุทัยพระองค์ก็ละแล้วมโนนิโร่ พระองค์ก็ทําให้แจ้งแล้วมโนนิโรธาคามินีปฏิปทาพระองค์ก็เจริญแล้วส่วนนี้ที่เราจะต้องมาฝึกสาธยายให้มันคุ้นเคยแล้วก็ฝึกพิจารณาในโลกที่ที่เป็นจริงนะตาก็เอาตาจริงๆรนะิอะมาพิจารณาเนี่ยนะไม่ใช่ตอเตาสะอาไม่ใช่อย่างนั้นนะอย่างนั้นไ ม, ไม่ไม่น่าสนใจหรอกก็คือเอามาพิจารณามาสาธยายมาใคร่ครวนอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆเนี่ย น, นะถึงไม่เห็นก็ต้องสาธยาย เนี่ยนะคือเราทั้งหลายเนี่ยนะในการมาศึกษาพระธรรมคำสอนเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเราเป็นอนุบาลจริงๆเลยจะเรียกว่าเราอ่อนก็ก็ไม่ได้ผิดอะไรนี่ยนะยังแงยอยู่เลยนะยังรุ่นนั้นแหละโดยปัญยินซีนะเอาอินซีห้ามาวัดนะยังถ้ากับปวกเปียกสองสาขวบแค่นี้ไม่ได้โตอะไรหรอกเนี่ยนะเวนแต่จักขุเวนแต่จกั <c oughs> จกขุนซีโสตินซีอันนี้ใช่ละเชื่อละ นะว่าเป็นอุ้ยแล้วล่ะทีนี้มาเมือ่อเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยไอ้ที่ที่เราเรียกว่าการมาสาธยายมาอะไรเนี่ยนะเหมือนกับอะไรนะวันก่อนเนี่ยเร า, ามีเด็กอนุบาลคนหนึ่งเขามาท่องกอเอ้ยก้ไกลอันนี้เราก็เหมือนกันนะ จากพระพุทธเจ้ารู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้ละสิ่งที่ควรละเนี่ยนะเราทํายังไงให้มีความสุขกับการสาธยายสิ่งเหล่านี้ขึ้นจากโคจากโคสมุทัยจากโคนิโรดหรือก็มาไล่ทีละคําก็ได้เอาเอาแบบสูตรผู้การเมื่อกี้ก็ง่ายดีเหมือนกันนะพระพุทธเจ้ากําหนดรู้จากโคแล้วกราบหนึ่งครั้งข้าพเจ้าขอนอมน้อมพระพุทธเจ้าผู้ทําปริญญาในจากโคแล้วก็กราบนะ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคผู้ละจักขูสมุทัยแล้วก็กราบอย่างนงี้ยนะข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าพูดแทงตลอดจักขุนิโรธแล้วเราก็กราบข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าผู้เจริญจักขูนิโรธทคำมินีปฏิปทาแล้วเราก็กราบอย่างเงี้ยนะท่านก็กราบเยอะแปดหมืนสี่พันครั้งก็ไม่หมดอย่างเงี้ยนะเดินรอบเจดีสามคืนก็ไม่มีจบ เพิ่เพราะท่านก็นี่แหละที่เรียกว่าบทของการเจริญนะอย่างน้อยที่สุดอยากให้ให้สาธยายบทเหล่านี้จริงๆเพราะว่าเป็นบทที่ที่เกื้อกูลต่อการเจริญมากไม่งั้นน่าเราพิจารณาไปพิจารณามาเนี่ยหลงประเด็นหมดเลยเรียนรู้เรื่องแก่เรื่องตายพอพูดถึงคนแก่ก็จะป่วยไปกับคนแก่ไปอีกเรียนรู้คนตายก็จะทุกข์ไปกับที่เขาตายอีกเป็นต้นอันนี้ซึ่งผิดวัตถุประสงค์ นั้นการหมั่นสาธยายการใครครวนการตรึกแบบนี้เนี่ยควรให้มีอารหังพระพุทธ เ, เน้นไปที่พระองค์นี่กำจัดสมุทัยได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเนื่องจากไม่มีราคะโทสะโมหะใช่ไหมอารหังสัมมาสัมพุทโธก็คือทำปริญญาเป็นต้นเนี่ยเสร็จแล้วทำปริญญาละทำให้แจ้งเจริญเสร็จแล้วแล้วก็พัวาก็คือพระองค์เป็นผู้มี ที่ปักจัยธรรมแล้วก็เป็นผู้จำแนกธรรมรัตนะจำแนกแจกแจงอริยศัสต ร, ร์ให้เรามาเจริญมาพิจารณาด้วยนะแล้วก็มาละลึกอย่างนี้ให้บ่อยๆนี่ถ้ า, อ, าอย่างที่กล่าวนะที่ผู้การถามว่าเอาที่ไหนที่บอกว่าอริยศัสต ร, ร์เนี่ยนะว่าปกติเนี่ยบอกว่าทุกขาริยศัสต ร, ร์ ก็คือขันท่าใช่ไหมโดยทั่วไปก็บอกขันท่าแต่ที่บอกเป็นอายตนะภายใน6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจในี่อยู่ในอายตนะสูตรชื่ออายตนะสูตรเลยสังยุตตนิกายมหาวารวักเล่มสุดท้ายนะี่นะสังยุตตินิกายเล่มสุดท้ายชื่ออายตนะสูตรสัจจะสังยุตสัจจะสังยุตมหาวารวัก อายตนะสูตรนั่นนะเล่ม31อยู่เล่ม31นะชื่ออายตนะสูตรสัตว์อ่าเรียกว่าสัจจะสังยุตธนั น, นะอยู่ในสังยุตตนิกายมหาวราวัตอายตนะสูตรนัมเบอร์สา <c oughs> ก็อย่างที่เรียกว่าอะไรนะ ทุกขารยาศต์คืออะไรตาหูจมกูกเลนส์กายแล้วก็ใจในตาหูจมกูกเลนกายใจที่เป็นทุกขารยาศาตร์เนี่ยนะแล้วสมุทัยอะ่ะทุก ก, ก็มาด้วยทุกขสมุ ท, ทยัยทุกขะสมุทัยนี่ก็คือว่ารวมๆนะตัวตันหาใช่ไหม ถ้าพูดตันหานี่อวิชชาก็เท่ากับแสดงแล้วกรรมแสดงแล้วถ้าตาหูจมูกลิ้นกายมันต้องนำรงอยู่ด้วยอาหารถ่าใจต้องนำรงอยู่ด้วยนามรูปเนี่ยนะแต่นี่เรายกมาตัวเดียวพอเป็นตัวอย่างถ้าสิ่งเหล่านี้ดับไม่เป็นไปเนี่ยนะอัปปวัตะไม่เป็นไปนั่นก็เป็นนิโรธเนี่ยนะ ทำยังไงที่จะทำนิโรธอ น, นันให้แจ้งก็คือการเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมาทำปริญญาพื้นฐานการทำปริญญาเนี่ยนะซึ่งอย่าลืมว่าคนที่จะเจริญอริยศัสต์นะกรรมสกตาถือว่ามีอยู่แล้วมีอยู่แล้วจึงจะเอามาพูดกันมาทำปริญญาว่ายังไงมาทำปริญญาว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มีชาติเป็นธรรมดาสิ่งที่มีชราเป็นธรมมนธรมดาแล้วก็สิ่งที่มี มรณะเป็นธรรมดา น, น, นะนะสิ่งใดก็ตามที่เป็นไปกับชาติชรามรณะเนี่ยนะสิ่งนั้นเนี่ยแหละเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ทางกายและก็ทุกข์ใจใช่ไหมแล้วก็คับแค้นใจเป็นอย่างยิ่ง น, น, นะนะ ทุกกายทุกใจเนี่ยนะแล้วก็คับแค้นใจก็แปงว่ามันเป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทุกโทมณตุปาญาตเนี่ยนะโสกะปริเทวะซึ่งอันนี้คือการทาตีรณะปริญญาแล้วนะการที่เอาตาหูจมูกลิ้นกายใจมาพิจารณาโดยชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโธมณสุปาญาสเนี่ยคือการทา ติรณปริญญาเนี่ยได้หลายโตเลยนะใช่ชาติธรรมโตชาราติธรรมโตแล้วก็มีอีกคำหนึ่งนะถ้าเปิดเพื่อเองพยาทิธรรมโตมรณะธรรมโตโสกะธรรมโตปริเทวธรรมโตทุกขะนะทุกขโทมนัสก็เป็นทุกอยู่แล้วอุปายาสะธรรมโตแล้วก็สังกิเลสิกะธรรมโตเนี่ยนะมี ก็คือเป็นการเอามาพิจารณานี่แหละเรียกว่าเป็นการทำตีรณะปริญญาแ ล, ล้วล่ะเมื่อทำปริญญาไปจะเห็นอย่างที่ที่ในสัจจะบัพภาพเพิ่มมาอีกก็คือสัมปโยคทุกขสัมปโยคทุกขและอะไรเีกวิปโยคทุกเนี่ยนะสัมปโยฆะก็คืออะไรถ้าต้องไปประจวบกับ ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ไม่น่าปรารถนาอันนี้แหละเรียกว่าสัมปโยฆทุกข์คือในโลกของของการพิจารณาในแง่อริยศัท์เนี่ยนะจะไม่เอ่ยชื่อว่าเป็นใครแต่รู้การโดยโดยหลักวิชาว่าแปลว่าศัตรูใครก็ศัตรูใครละว่า ง, งั้นเถอะถ้าไปต้องไปประจวบกับศัตรูของตนเนี่ยนะเป็นยังไงอั่ที่เมื่อวานสนทนากันว่า ถ้าไปเจอหรือผู้ร่วมงานที่ไม่น่าปรารถนานะผู้ร่วมงานคืออะไรก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าพูดโดยปรมัติน์น่นะหรืออะไรก็ตามที่ไม่น่าปรารถนาเนี่ยนะในโลกของแม้กระทั่งเจองูงูพน้นก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจเสือก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละ้ละก็พวกนี้ทั้งหมดเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งสัมปโยคทุกข์ที่เราเป็นทุกข์เนี่ยเนื่องจากเราตาไปเห็นในสิ่งที่ ที่เราคิดว่าสิ่งนั้นมันไม่ดีอ่ะหรือไปฟังสิ่งที่เราเรียกว่ามันไม่ดีไปรู้กลิ่นที่ไม่ดีรู้รสที่ไม่ดีรู้โพธตภัที่ไม่ดีหรือรับไปนึกคิดบางเรื่องที่เราว่ามันไม่ดีอันนี้แหละเรียกว่าสัมปโย่าทุกเนี่ยนะสัมปโยคทุกถ้าวิปโย่าทุกเนี่ยนะตอนแรกเนี่ยมันสัมปโย่าสุขก่อน ตอนแรกเลยนะสัมประโยค่าสุขต่อมาก็จะเป็นวิปประโยค่ทุกข์ <c oughs> ที่พระองค์ตรัสว่าเมื่อสัตว์ทั้งหลายปราถนาวัตถุกรรมอยู่ถ้าวัตถุกรรมนั้นสำเร็จแก่สัตว์ซ้าย <c oughs> เขาย่อมมีใจเ อ, อิบอิ่มเป็นแน่อ น, นะอยากได้อะไรก็สมหวังไปหมดเลยนะสบายใจไหม โอ้ยยิ้มมากเลยนะเช่นคิดถึงลูกลูกก็มาเยี่ยมพอดีพอดีเลยอย่างเงี้ย น, นึกถึงนึกถึงอะไรก็จะได้สมหวังดังใจนึกหมดเลยยกตัวอย่างเช่นเทวดาชั้นนิมมานราดีเนี่ยนะนิมมานราดีกับปรนิมอสองสองชั้นเนี่ยนิมมานราดีเนี่ยอยากได้อะไรปั๊บเนรมิตเอาเลยปรนิมิตตาว่าสวัสดีอยากได้อะไรมีคนอื่นเนรมิตให้ ก็ถ้าเป็นพวกปรนิมเนี่ยพวกนี้มีบุญมากเหมือนกับสมัยนี้ก็เจ้านายชั้นสูงเลยใช่ไหมเจ้านายชั้นสูงเนี่ยถ้าเหลียวดูอะไรเนี่ยเป็นอันต้องได้อันนั้นอันนี้คือคือเขาบอกว่าแค่พวกพี่ผู้มีบุญจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ามายังเคยโยมโดยโยงเขาแซวเลยเขาบอกว่าท่านนี่พวกปรนิมมิตรเขาว่างั น, นเอาไปเราซื้อขายเองไร้ที่ไหนใช่ไหมเราก็บอกอยากไร่อันนั้นเขาก็หามาให้ก็บอกท่านนี่เป็นปรนิมเ้าว่างั้น ก็คือพวกนี้จะจะได้อะไรดังดังใจนึกหมดเลยอ่ะนะอันนี้นี่พูดถึงคนทั่วๆไปนะที่มีบุญหน่อยแล้วก็พวกเทวดาอย่าลืมว่าธรรมะเนี่ยเป็นธรรมะที่แสดงกับพวกมนุษย์กับเทวดาที่มีบุญซะส่วนใหญ่เนี่ยนะพวกนี้มีบุญเก่าเยอะนะที่จะมาพิจารณาฤกษ์ศัตรูดังที่เคยกล่าวว่าคนยากจริงๆและบรรลุไม่กี่คนหรอกอ่นนะนะชนชั้นที่บรรลุธรรมจริงๆนะสมัยใดก็ตาม สมัยนี้ก็ตามสมัยพุทธกาลก็ตามส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพราหมครึ่หบดีซะส่วนใหญ่อย่างอย่างอย่างน้อยที่สุดนะพรามครึ่หะดีพระพาลาชา ม, มหากษัตริย์เป็นต้นเนี่ยคือพวกที่บรรลุพ้นถ้าฟังคําว่าวิปโยคทุกเนี่ยพวกนี้ฟังเข้าใจทันทีเลยเช่นเขาจากของที่เขารักเนี่ยนะต้องจากของที่เขารักเนี่ยก็มีเจ้าเชียงใหม่อยู่คนหนึ่งชื่อเจ้าสุกเสมเมืม่อได้ร้อยปีพอดี เจ้านี้เขาไปเรียนที่พมา่าแล้วก็ไปหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งก็เลยสาบานว่าจะรักกันจนตายตอนหลังเขาก็เรียนจบมาก็ชวนผู้หญิงมาเมื่อกลับมาเชียงใหม่ด้วยแล้วก็เจ้าเจ้าพ่อเจ้าที่เป็นพ่อนะก็เลยเชิญผู้หญิงกลับซะก็เจ้าสุกเกษมก็ไปกรุงเทพเขาก็จับแต่งที่กรุงเทพ แล้วก็ผู้หญิงเ้าก็มาเยี่ยมเจ้านี้ก็ไม่ยอมออกมาพบหน้าผู้หญิงกันนะตอนหลังก็กลับไปบวชชีที่พม่าจนตายส่วนเจ้านี้บอกว่าหลังจากนั้นสิปีสักสิบสาปีเนี่ยตายตรอมใจต า, ตายหรือไงก็บอกว่าที่ตายก็คือขี้เหล้าเมายาหลังจากนั้นนะนะหลังจากที่จากกันกันกบคนนี้ก็ขี้เหล้าเมายามาตลอดถึงแต่งใหม่ก็ขี้เหล้าเมายานะนะั้ในที่สุดก็ตาย พวกนี้ก็เป็นผลของอะไรวิปโยคทุกเลยนะวิปโยคทุกหลายหลายคนเนี่ยพอวิปพอพอตัวเองจากอะไรไหมต้องต้องจากอะไรหรือสูญเสียอะไรหลังจากนั้นก็ข้าวปลาเป็นต้นก็ไม่ค่อยสนใจเลยนะก็กินเหล้าแทนถ้าเพลงอะไรนะถ้าเพลงโบราณลูกทุ่งไทยๆสมัยก่อนๆเลยก็เนี่ยเป็นพวกวิปโยคทุกซะส่วนใหญ่ที่ไปเจอตอนแรกก็สัมปโย ค, ค่าสุข ก, ก่อนเลยตอนหลังก็วิปโยคทุกเนี่ยนะ พวกสัมตติอมาตยเนี่ยนะ ท, ที่นางสนมตายอภัยราชกุมารก็เป็นอย่างนี้นะนะอภัยราชกุมารหรือหลายๆคนที่ที่เป็นคนชั้นสูงเนี่ยพอวิปรโยคแล้วเขาจะทุกข์มากเช่นจะมีทรัพย์สมบัติแล้วต้องสูญเสียจากจากสิ่งที่มีสิ่งที่มีเนี่ยพวกนี้ก็เป็นทุกข์ที่ที่ใหญ่มากเนี่ยนะเนี่ยนะพระยาพระยาเสียตัวเองก็เลยต้องฆ่าตัวตายตามนี ไปไปร้องให้จนในที่สุดก็ไปฆ่าตัวตายน่นะคือพวกวิปโยคทุกนั้นถ้าเป็นผู้ที่มีทรัพย์จริงๆเนี่ยโดยเฉพาะเช่นคนใกล้จะตายเนี่ยนะ อ, อ, อย่างเช่นตัวยกตัวอย่างนะเท้าสากาเนี่ยพอนิมิตห้าปรากฏขึ้นเท้าสาก่านี้เขามีอะไรเานิมิตที่เตือนนะว่าเช่นผ้าเนี่ยเศร้ามองผ้าเศร้ามองดอกไม้เหี่ยว แล้วก็เหงื่อออกของเราก็เหงื่อเหมือนกันนะระวังนงึมันก็เตือนทุกวันนั่นแหละและอะไรอีกไม่ยินดีในที่ผ่าอาดอะไรข้อหนึ่งเหนไหอันนะีผิวเศร้าหมองผิวพรรณเนี่ยเศร้าหมองลงก็เตือนว่าอีกเจ็ดวันอีกเจ็ดวันมนุษย์นะก็เท่ากับบอกสักช่วงครึ่งชั่วโมงของเทวดาเนี่ยนะ เจ็วันมนุษย์ก็เท่ากับไม่เกินครึ่งชั่วโมงเทวดาเนี่ยดีไม่ดีอาจจะไม่ถึงไม่กี่นาทีของเทวดาเนี่ยบอกว่าจะตายแล้วนะแกก็ลืมตาดูสมบัติ น, นางฟ้อนสองสอ่อะไรนะสัก2องล้านกระโกดเนี่ยเป็นโกรธนางฟ้อนสองล้านกระโกนมองเห็นเวทยันต์ประสาทราชรถก็บอกว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยพื้นที่หมื่นยอ โอ้ตำแหน่งทั้งหลายแหละเนี่ยมองก็เสียใจอย่างแรงเลยนะอูย้ยใครจะดับความเสียใจความทุกข์อันนี้ให้กเราได้ก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงมันต้องตายแนะ่ก็เลยเข้าไปฝ้างพระผู้มีพระภาคนี้ว่าเข้ามาในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะจะฟังธรรมก็เลยบรรลุปเป็นพระโสดาบันกลับไปใหม่เนี่ยนะแต่ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยถามว่ามันจะเศร้าโศกเสียใจปานใดเนี่ยนะยิ่งบางคนที่สแสวงหาทรัพย์มาจนแทบตายเลยนะ หามาจนได้กองพนเนินเทินทึกเสร็จแล้วก็ตัวเองก็กินก็ไม่ได้แล้วก็จะต้องตายหนีจากสิ่งนั้นด้วยนะนจะทุกข์ขนาดไหนเนี่ยพวกนี้ก็วิปรโยคทุกข์เลยนะแต่ทั้งหมดนั้นก็คืออะไรว่ารวมๆก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละคือตัวทุกข์อ่ะนะแต่ถ้าคนที่เจริญปัญญาพิจารณาเอาไว้ให้มากๆคร่ครวญไว้บ่อยๆนะก็ไม่ค่อยโทมนัสสักเท่าไหร่ใช่ เพราะเขามีที่พึ่งอ่ะคนทั่วๆไปเนี่ยนะจะยังไงก็ต้องประสบกับชาติชารามรณะโศกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปาญาตอันนี้เป็นเรื่องธรรมเรื่องธรรมดาประจำโลกจริงๆแต่ถามว่าพระอริยาสาวกทำไมท่านไม่โสกะปริเทวะเป็นต้นท่านมีอันอื่นมาชดเชย ท่านนึกถึงศีลของท่านแทนท่านมีศีลมีสุตะมีจาระมีปัญญามีมีการมาละลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยนะท่านไม่ได้มาโหยหวนอยู่ในในอะไรในพวกอารมณ์อารมณ์ทั้งหลายแหละที่เป็นวัตถุกามเพราะท่านไปคิดในสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุกามเนี่ยนะท่านไปสแสวงหาสุขที่เกิดจากเนคขมมะเนี่ยนะก็เลยไม่ได้เดือดร้อนอะไร แต่นี้ถ้าผู้ที่ไม่เจริญตัญญาจนถึงเป็นพระโสดาบันเป็นต้นเนี่ยนะไม่มีความปลอดภัยโดยประการทั้งปวงเลยไม่รู้จะเอาอะไรเป็นเป็นเกาะเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องหมายเนี่ยนะนอยากจะให้ทบทวนถึงว่าการพิจารณาโดยเฉพาะอภินญ ย, ยธรรมปริญัยธรรมเป็นต้นเนี่ยนะควรมาสาธยายควรมาใคร่ควรมาตรึกเพื่อจะได้เห็นพระพุทธคุณบทว่าสัมมาสัมพุทโธเนี่ยให้มากๆ ถ้ายังไม่อย่างนั้นนะศึกษาไปศึกษามาก็มันก็ห่างพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆเร่อยๆเพราะว่าตามที่เป็นจริงแล้วพระโสดาบันเนี่ยคือผู้ที่มั่นคงในพระพุทธเจ้าเราก็มาถามดูถ้าเรามั่นคงในพระพุทธเจ้าเรามั่นคงในพระองค์ตรงไหนอันนั้นบอกโอ้เชื่อพระพุทธเจ้าสนิทใจเลยนะเชื่อตรงไหนเชื่ออะไรไอสมุทธาถ้าถ้าเราต้องลืมให้เรื่องทั้งหมดเลยนะเนี่ยอย่างขณะเนี้ย เราเชื่อพระพุทธเจ้าตรงไหนเชื่อเรื่องอะไรเธอเชื่อพระพุทธเจ้าหรือว่าตามมีต้องเชื่อไหมอย่างเงี้มีสีมีแสงสว่างมีผัสสะมีเวทนาอันนี้เราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าไหมไม่ต้องอันแล้วเราเชื่อพระพุทธเจ้าส่วนไหนเชื่อว่าพระองค์ทำปริญญาในสิ่งเหล่านี้เสร็จแล้วอย่างหนึ่งนะเบื้องแรกก่อนใช่สองเชื่อว่าพระองค์จัดฉันทราคาในสิ่งเหล่านี้โดยประการทั้งปวง อย่างต่อไปอย่างที่สามเชื่อว่าพระองค์แทงตลอดสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นสังคตาธรรมเป็นถูกปัจจัยปรุงแต่งไหมพระองค์นี้แทงตลอดสิ่งที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้วนั้นพระองค์พิจารณาสิ่งเหล่านี้เข้าสมาบัติได้เลยนะไม่ไม่ใช่ภาระสําหรับพระองค์ไหมแล้วในทุกอย่างเนี้ยพระองค์บัญญัติเป็นสิกขาได้หมดพระองค์มีศีลและสิกขาในทุกอารมณ์มีจิตตสิกขาได้ใน ทุกอารมณ์แล้วก็มีปัญญาศิกขาในทุกอารมณ์มันพระองค์เป็นผู้ที่มีอริยทรัพย์เนี่ยนะโดยเฉพาะ อ, อ, อริยมรรตเป็นต้นเนี่ยพระองค์เพียรพร้อมไผ่บูรบริบูรณ์แล้วยังสามารถเอามาบอกแสดงได้ด้วยนะนการเจริญแล้วก็ประยุกต์โดยเฉพาะศึกษาพุทธคุณลงในชีวิตที่เป็นจริงได้เนี่ยนะนะอันนั้นก็จะเป็นเหตุใกล้แห่งความพ้นทุกข์แต่ถ้าไม่อย่างนั้นก็คืนนี้เราพูดสําหรับคนที่เขาสวดได้อยู่แล้วเนี่ยนะ สวดได้อยู่แล้วเพราะว่าไม่งั้นก็ได้แต่สวดๆไปก็ก็ดีอย ด, ดีกว่าไม่สวดนะนะแต่ว่าอยากจะให้ได้มากกว่า น, นั้นไม่ปฏิเสธอย่างนั้นแต่ว่านั่นมันก่อไก่มากนะไหนนะแต่ถ้าเป็นพระสูตรเลยก็เป็นเช่นรัตนาสูตรเป็นต้นนะ แต่ถ้าเป็นเอกสารที่เอกสารที่จแจกแจกไปนั่นแหละรวมๆ ม, มานะนะรัตนสูตรก็เห็นแต่ว่าเฉา พ, พาะพุทธถ้ารัตนสูตรก็ทั้งพรัตนาตรายเลยเล่มเมืองภัยาลีน่ะมีรัตนสูตรหลยเ อ, อีกถ้าจัดเอานะเอาเรื่องที่เมืองสังกษะเนี่ย น, นะ เชื่อว่าสารีปุตตสูตรเนี่ยสูตรนั้นเนี่ยพระพระสารีบุตรชมพระพุทธเจ้าได้เยอะนี่นะชื่อเล่มเมืองสังกสะนะชื่อชื่อสูตรว่าสารีปุตตะสูตรเนี่ยนิเทศนะคือในนิเทศเนี่ยนิเทศตรงนั้นแหละขยายเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธคุณแล้วก็ขยายเกี่ยวกับข้อปฏิบัติของพระพิสุทธ์ที่ปรารถนาบรรลุมรรคผลนิพพานแต่ถ้าใคร นี่ก็เล่มหกิหกนะเล่มหกสหกสูตรสุดท้ายอันนันถ้าเป็นฉบับทัท่วๆไป ท, ที่ที่มี ม, ม, มีกันน่ยแต่นี้พูดถึงคนที่เขามีหนังสือชุดอินเดียเนี่ย น, นะก็ไปอ่านเล่มสารีปุตตสูตรเอ่อขออภัยเมือง ส, สังกษะสูตรสุดท้ายเพราะว่าสูตรนั้นเป็นสูตรที่กล่าวตอนที่พระองค์เนี่ยลงจากสวรรค์ชัน้นอ่อลงจากสวรรค์มาเนี่ยนะสูตรนั้นอ่ะเป็นพระสูตรที่พระพระองค์อ่าพระสาลีบุตรกล่าวตอนพระองค์ลงจาก สวรรค์นะลงจากที่ที่ประตูเมืองสังกษสารนะแต่ก็อย่างที่กล่าวนะว่าถ้าใครอยากจะเห็นพระมหาการุณาคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยอ่านพระวินยัยท่านบอกว่าอย่างนั้นพระวินัยปิฎกเนี่ยประกาศถึงกรุณาตรงตร ง, ตรงตัวเลยที่บอกว่าเรื่องไม่ควรพูดก็ต้องพูดอะคำที่ไม่ไม่สมควรที่ระดับพระพุทธเจ้าต้องมาพูดนี่ก็ต้อง ก็ต้องพูดอันนี้นี่นหมายถึงพระกรุณาของพระ อ, องค์ไงเหมือนกับพ่อแม่บางคนที่เป็นใหญ่เป็นโตแต่ต้องมาสอนลูกเกี่ยวกับเรื่องเชิดอุจาระปัสสาวะทั้งหลายเลเนี่ยนะถ้าถ้าเป็นพ่อแม่ที่แบบเป็นพระราชามหากรรณาธิ์ต้องมาสอนลูกเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เพราะอะไรเพราะกรุณาของพ่อแม่ที่มีต่อลูกชันใดในในพระวินัยก็เหมือนกันนั่นด้วยพระมหากรุณาของพระองค์ทั้งหมดเนี่ยนะ แม้แต่บางคาถ้าฟังไม่ดีก็เหมือนว่าตำหนิเลอเกินใช้คำดูก่อนโมฆะบุรุษการกระทาของเธอไม่เหมาะไม่สมไม่ควรใช้ไม่ได้ไม่ควรทำเนี่ยนะเป็นต้นแม้แต่คำเหล่านั้นก็คำที่แสดงด้วยกรุณาถ้าพระสูตรทั้งหมดเนี่ยด้วยกรุณากับพระปัญญาสองอย่างควบคู่กันพระปัญญากับพระกรุณาควบคู่กันพระปัญญานี่อย่างรู้อัธยาสัยเป็นต้นของเวนยสั พระกรุณาเนี่ยจึงน้อมประโยชน์ไปให้เขาได้รับพระสุตตันตปิฎกทั้งหมดเนี่ยเกิดด้วยสมุธฐานสองคือกรุณากับปัญญาส่วนพระพิธรมเนี่ยปัญญาคุณอย่างเดียวนะถ้าถ้าจะเอาแบบอย่างนี้นะก็ดูอย่างนี้ก็ได้ย่อๆดียกปัญญาเป็นหลักนะไม่ใช่คุณอื่นๆไม่มีมีแต่ว่าโดยเน้นหลักแต่นี้ก็อย่างว่านะ ที่เราจะเห็นพระพุทธคุณได้ชัดเจนที่สุดก็คือเนี่ยอริยสัจเนี่ยที่จะเป็นตัวทำให้เห็นคุณของพระพุทธเจ้ามากกว่าอย่างอื่นแล้วโดยเฉพาะพระปัญญาคุณเนี่ยนะในวิปโยคทุกเนี่ยนะความพลาดพลาดก็เป็นทุกเนี่ก็ต้องสิ่งที่พละดพลาดนี้ต้องเป็นของดีเลยใช่ไหมพละดพรากจึงเป็นทุกะนะ ส่วนสัมปโยค่ที่เป็นทุกข์ก็เพราะไปประจวบกับสิ่งที่สิ่งที่คนนั้นคิดว่ามันไม่ดีสภาวะนั้นอาจจะดีก็ได้เช่นเปิดธรรมะแล้วโกรธอย่างเงี้ใช่ไหมธรรมะนี่ดีใช่ไหมแต่ว่าฟังแล้วโกรธอย่างเงี้ก็แสดงว่าประจวบกับก็ ถ, ถือว่าไม่ดีสําหรับบุคคลนั้นนะนะแต่นี้แต่นี้คำว่าคนแบบนั้นไม่เอาเป็นประมาณในการแสดงธรรมเป็นประมาณในการแสดงธรรมก็เอาบุคคลที่เป็น เวนัยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะพอคาเวนัวยสัตว์ก็คือสัตว์ที่คู่ควรที่จะมีวินยัยเวนัยก็มาจากวินัย pipeline. อ่ะนะผู้ที่คู่ควรที่จะได้สังวรวินัยกับปหานะวินยัยเพรา ะ, ะบุคคลอื่นไม่ไม่ไม่เอาเป็นประมาณเอาพอที่จะมีสังวรวินัยกับปหานะวินัยได้สังวรมีเท่าไหร่มือชูสังวรหปรหานะหเนี่ยนะผู้ที่พอจะได้สังวรหกับปหานะห ตอนนี้เราได้สังวรเท่าไหรแล้วสี่ละสังวรได้อินทรีย์สังวรพอสมควรขันติสังวรพอสมควรนะถ้าเป็นที่อื่นนั่งให้ยุงกัดขนาดนี้ไม่เอาแล้วกันะขันติสังวรนั่นนะวิริยะสังวรก็ได้หลายสังวรนะแต่ทางข้าประหารตามสมควรดิคำพระนาประหารตามสมควรทั้งหมดนั้นก็ตั้งอุปนิสัยเพื่อสมุทเชษฐาประหารเป็นต้นนั่นเอง นั้นคำสอนทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าสอนเน้นสอนที่เวนยศัสต ร, ร์ทั้งหลายก็พัน้าเขาประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักเขายกตัวอย่างว่าไปประจบกับพวกกลุ่มชนที่ไม่เกื้อกูลต่อการบรรลุมรรคผลเนี่ยนะไอ้นี่แหละผู้ใดก็ตามบุคคลใดก็ตามที่ขัดขวางต่อการเจริญไตรสิกขาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มสัมปโยคทุกข์เช่นทางธรรมะเรียกว่าอาส ป, ปายะเนี่ยนะ ไปประสบกับสิ่งที่เรียกว่าอาศัพปายะก็โดยมากก็เป็นเป็นทุกข์เลยนะไม่เกื้อกูลต่อการเจริญศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาเป็นต้น เ, เช่นเราตั้งใจจะรักษาอุโบสถอย่างเต็มที่แต่ต้องไปนั่งอยู่ในที่ที่เขามีเสียงเพลงเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นถามว่าวันนั้นจะสุขหรือสนุกกับเสียงเพลงไปเลยไหมก็วันนั้นก็เป็นวันที่อึดอัดมากเลยนะใช่ไหมเพราะแม้กระทั่งเสียงเพลงถ้าทั่วๆไปเขาก็เรียกว่าเป็น สุกแล้วใช่ไหมประพไปประจวบกับสิ่งนั้นก็ถือว่าเป็นสุขอย่างยิ่งแต่พวกปรารถนาวัดวิวัตะปรารถนาคุณธรรมชั้นสูงพอได้ฟังเสียงเพลงที่ตัวเองฟังแม้กระทั่งก่อนหน้านี้ไพเราะอย่างลึกซึ้งก็าตามแต่ว่าพอมาเจริญวิปัสนาพิจรารณาโดยเฉพาะจะรักษาอุโบสถเป็นต้นเนี่ยนะพอฟังเสียงอันนั้นเนี่ยรู้เลยใช่ไหมเพราะว่ากลัวศีลจะขาดเนี่ยนะไม่สปายะเอามากๆปิดแล้วจึงจะมีความสุขกนะ แต่ถ้าไม่รักษาศีลเนี่ยโหปิดเพลงอันนั้นแล้วทุกมากเลยนะถ้าใครไปปิดให้ดีทุกมากแต่ถ้าตอนรักษาศีลนะถ้าใครปิดให้โอ้ดีๆีนะนะจะได้ไม่ต้องระวังมากมา ก, ก น, นะแม้กระทั่งใครก็ตามที่ไม่เกื้อกูลต่อศีลและสิกษาจิตแต่ศึกษาปัญญาศิกษาโดยที่ประสงค์จะเจริญศิกษาอย่างแรงกล้าต้องไปเกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้นอันนี้ชื่อว่าสัมปโยคะทุก นนะเมื่อก่อนนี้ไม่สังเกตนะแต่ตอนหลังสังเกตนะเห็นจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าต้องไปเกี่ยวข้องกับโดยเฉพาะบุคคลที่ไม่เกื้อกูลต่อการเจริญศีขาของเราเลยเนี่ยนะอันนี้เป็นสัมปโยคทุกข์จริงๆแต่ถ้าต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลที่เจริญไตรศีขาแล้วก็ไม่ได้ค่อยเกี่ยวข้องกันเนี่ยพวกนี้เป็นวิปโยคทุกข์นะแม้กระทั่งยาว่าเราเลยแม้แต่พระอริยาสาวกสมัยพุทธกาลเนี่ยนะ ท่าน อ, อย่างอุบาสกคนหนึ่งที่เป็นพระสกะทาคามีเนี่ยนะท่านบอกว่าเมื่อไหร่ที่ได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าออกจากเมืองท่านท่านเป็นคนเมืองสาวัตถีเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเสด็จออกจากเมืองนะท่านเสียใจแล้วโอ้พระองค์ค่อยๆไกลไปเรื่อยแล้วเนาะไกลๆๆลไกลกลไปเรื่อยแล้วก็เสียใจตอนหลังพอพระองค์จาริกกลับมานะได้ข่า ว, ว่าตอนนี้อยู่เมืองโน้นนักเรเข้ามาดีใจว่า ง, งั้น แล้วก็ขนาดพระอริยะสาวกท่านก็ยังวิปโยคทุกข์วิปโยคทุกข์อยู่เหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าห่างจากพระพุทธเจ้าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยที่ยกเวลุวันให้เนี่ยก็เชื่อว่าเราเนี่ยเป็นพระโสดาบันไม่สามารถที่จะอยู่ห่างพระพุทธเจ้าได้เพราะองค์ก็เลยยอมยกสวนนั้นให้หมอชีวกเนี่ยพอเป็นพระโสดาบันก็คิดอีกว่าเวลุวันก็ยังไกลอีกก็เลยยกสวนอัมพวันในเมืองนี่ให้อีก นะเพราะว่าจะได้ใกล้จะได้ไปอยากฟังธรรมเมื่อไหร่ก็จะได้ไปฟังเลยอันนั้นก็ด้วยเหตุผลของพระริยเจ้าสมัยพุทธกาลนี่ก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าท่านห่างพบบอย่างอย่างบางครั้งเนี่ยนะพระพุทธเจ้าจะเสดจาริกเนี่ยนางวิสาขาไปไปนิมนต์ขออย่า อ, อย่าไปเลยอย่างเงี้ยพระองค์บอกว่าพระองค์ก็มีกิจนะนะพระนางก็ยอมนัม้นให้เห็นว่าแม้กระทั่งพระริยสาวกทั้งหลายท่านก็ยังมีวิปโยคทุกเนี่ยนะ หลานตายนางวิสาขาก็ยังร้องไห้อยู่นะเพราะว่าพระรยาสาวกเบื้องล่างๆยังละสุขภาพ ว, ว, วิปลาสไม่ได้นั่นนะถ้าเป็นพระนาคามีไปแล้วจะไม่เสียใจโดยประการทั้งปวงแต่ก็ไม่เสียใจก็ไม่ใช่ไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะไม่ใช่นะเพราะท่านกลับเป็นผู้ที่รู้ดีด้วยว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นเหตุแห่งสุขอะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นต้น พวกวิปโยคทุกเนี่ยนะต้องต้องดูนะว่าใครที่สูญเสียเช่นพอ่อพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวมิตรอมาตย่าสาโลหิตอันนะห่างจากถ้ามิตรอมาตย์นะพุ ก, กามถ้าตอนที่เพื่อนรั ก, ร, กรักกันเสียนี่เป็นยังไงโทรมานัดหน่ยคิดถึงครับก็ไม่ถึงกับโทรมนัดเทนะ่าไหร่นะที่ พ่อไม่สามารถเรียกล่าวเกณฑได้นะมันก็ยังคิดถึงกันอยู่นะคิดถึงอ่ะคิดถึงเนีก็บางทีก็เสียใจว่าเราน่าจะเจอก่อนตายสักหน่อยก็ยังดีบางคนถูกคอกันมากใช่ไหมไม่น่าจะไปเร็วนักคงจะเป็นอย่างนั้นแหละก็โทรมนัดนะก็นับว่าโทรมานัดแต่ว่าไม่มีกําลังมากนะก็มีการเสียใจใช่ไหย ถ้าตรงนี้มีมีญาตินะเช่นพ่อเราแม่เราเนี่ยนะช่วงนั้นเราก็ไม่ได้เขา้าเข้าใจอะไรเลยนะผ ม, ผมพว ก, กผมเนี่ยพี่พี่น้องๆผมเนี่ยพอมาถึงบัดนี้แล้วเสียดายนะถ้าอยู่ก็ยังได้เจริญให้เจริญพุทธคุณบ้างอะไรบ้างก็ยังดีนะก็ <c oughs> ก็บางคนที่มีพวกมิตรมีญาติมีเพื่อนมีพี่มีน้องแล้วก็พี่น้องเสียไปนี่ก็เศร้าใจเลยนะีก็เนี่ยเป็นคนที่โห อ, อายุเท่านี้นะรับวิบากมาเกี่ยวกับเรื่องวิปโยคทุกข์นี่เขามีมากนะนี่เราเรานึกออกเลยหนึ่งเอน้องชายเขาตายน้องชายเชื่อไอ้หินไอ้หินเนี่ยตายก่อนอ่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ทวดตาย หลังจากทวดตายก็พ่อตายหลังจากพ่อตายก็คนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยนะที่เป็นญาติกันเนี่ยตายหลังก็น้องชายเนี่ยตายแทบว่าในครัวเรือนเดียวเนี่ยตายไปห้าละก็ได้วิระโยคทุกไปห้าเนี่ยนะนึกแล้วก็โทรมนันะัดก็เรียกว่าเป็นคนที่โทรมันัดไม่ค่อยสั่งเหมือนกันนะมีพวกวิปยโยคทุกเนี่ย ถ้าใครที่เกิดมารับวิปโยคทุกข์มากๆกด้วยนี่ก็ลำบากมากแ ต, แต่แต่ว่าอันนี้พูดถึงว่าคือให้รู้ว่าโลกนี้นะทุกของใครนะคนนั้นใหญ่ที่สุดทุกของใครก็ตามถึงจะเรื่องเล็กน้อยก็ตามนะคนนั้นใหญ่ที่สุดกระถางดอกไม้ใครแตกถ้าเขารักกระถางอันนั้นมากเขาถือว่าอันนั้นทุกข์ที่สุดสาหรับเขา เพราะฉะนั้นก็ถ้าเทียบโดยปริมาณทุกเนี่ยก็ทุกของใครคนนั้นใหญ่ที่สุดแล้วว่างั้นนะเนั้ยนแต่ว่าถ้าว่าแบบท่านหน้าทุกขที่สุดก็อย่างว่าอย่างนางปตาจ a ราเป็นต้นนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่าทุกขของใครคนนั้นเนี่ยทุกที่สุดแล้วนี่ยนะปัญหาของใครคนนั้นนะเดือดร้อนที่สุดก็คิดดูนะฝุ่นเข้าตาเราเนี่ยมันดูอย่างที่เขาว่านะ เสี่ยวเกิดที่ตาที่ที่ตัวของเราเนี่ยหรือเราคันสักหน่อยหนึ่งนะดูถ้าจะเดือดร้อนกว่าไอ้บริษัทอเมริกาล้มอีกเนี่ยนะผมเข้าตาที่ต้องให้คนเคดินเขี่ยให้ใช่หรือเราเนี่ยเดินไปสะดุดหินสักนิดหน่อยนะดูจะยิ่งใหญ่กว่าชาวต่างประเทศที่พายุพัดตายไปครึ่งล้านหนึ่งนะก็ดูถ้ามาได้ทุกเท่าเราเตะหินสักเท่าไหร่งั้นก็ ว, ว่าปัญหาของใครคนนั้นทุกที่สุดเดือดร้อนที่สุดเนี่ยนะ เพราะว่าบุคคลเมื่อหยั่งใจแผ่ไปในทุกทิศทิศข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างนะเรารักเราที่สุดเนี่ยน yeah. ไม่มีใครที่เราจะรักเท่าเราแม้แต่รักคนอื่นก็เพราะเพราะมันเกี่ยวข้องกับเราอ่ะนะเพราะเขาเกี่ยวข้องกับเราเราจึงรักถ้าเขาไม่เกี่ยวข้องกับเราดูสิไม่เห็นหน่าสนใจเลยไหมนางงามจะตาเราก็ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรที่ไหนเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรา นั้นอะไรก็ตามถ้าเกี่ยวข้องกับเราเวทวงของเราอันนี้จะเป็นที่ตั้งแห่งทุกสําหรับเราเพราะเรารักเราเนะก็เพราะเรารักเรานั่นแหละเราจึงไปเที่ยวทุกเดือดร้อนกับคนอื่นก็ทั่วไปหมดที่เขามาเกี่ยวข้องกับเรานะคนอื่นเขาก็เผาอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยในป่าช้าก็เขเม่าขึ้นกันตลอดนะ่ะแต่เราก็ไม่เห็นไปเดือดร้อนอะไรเพราะบุคคล น, นั้นไม่เกี่ยวกับเราเพราะถ้าโดยรวมๆแล้วเราเนี่ยเป็นเป็นที่รักแห่งใจของเราที่สุดมันถ้าเรา ต้องไปประจวบกับอะไรก็ตามที่จะทําให้เราเนี่ยเสียใจยเราก็ไม่ชอบถ้าจะต้องพลาดภาคอะไรก็ตามที่เกื้อกูลที่จะให้ความสุขแก่เราเนี่ยนะถ้าจะต้องจากสิ่งนั้นเราก็ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยสนุกอันนั้นก็นับว่าเป็นเป็นทุกข์อย่างหนึ่งแตางานจบล้กลัวผีนี่ก็เป็นทุกข์อย่า ง, งก็เพราะเรารักเราใช่ไหมกลัวเลยผีจะมาหลอกเราก็เลยทุกข์ ก็พวกที่พลาดพลาดแล้วเป็นทุกข์เนี่ยนะก็ต้องอย่างว่านะจากจากของที่ดีๆโดยเฉพาะทุกข์มากก็คือกลัวจะจากชีวิตอันเป็นที่รักเนี่ยนะทว่าทว่าเราที่เรากลัวจริงๆที่สุดนี่ก็กลัวนี่เพราะเรารักชีวิตของเราที่สุดใช่ไหมถ้าเมื่อใดที่จะต้องจากชีวิตเลยนะชีวิตดิณซีเลยเนี่ยโอ้ทุกข์มากนี่เพราะว่าผลของการไม่เอาชีวิตดิณซีมาทําปริญญาถ้าเอาชีวิตดิณซีมาทําปริญญาเท่ากับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้ามีคนเอาอะไรมายิงนะพวงจะไม่มีการป้องกันตัวนะจะคิดว่าจะว่าเขายิงเราต้องรีบหลบซะหน่อยอะไรเงี้นะไม่มีเรียกว่าจะไม่รีบจะไม่ป้องกันตัวโดยประการทั้งปวงที่เรียกว่าเออเนี่ยเขาเอาปืนมายิงนะเราต้องหลบเขาหน่อยอะไรเนี่ยไม่ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าฉันทราคะในที่บอกว่านะเราไม่ยินดีในความตายแต่ก็ไม่ยินดีในความเป็นอยู่อะไร เพราะฉะนั้นความตายกับความเป็นอยู่สําหรับพระริยเจ้าไม่ต่างกันนะเป็นกับตายเนี่ยนะไม่ต่างกันเพราะอะไรเพราะท่านเห็นขันห้าเสมอกับต้นไม้กับใบหญ้าเท่านั้นเองนะท่านท่านจึงไม่มีทุกโดยประการทั้งปวงแต่ถ้าบุคคลทั้งหลายเนื่องจากอภิชากับโทมนัทเนี่ยนะมันเป็นทิศเลยเลยทุกใช่ไมนั้นทุกทั้งมวลนี่มีอภิชากับโทมนัทนั่นแหละเป็นเป็นปัจจัยนะเยอภิชาก็คือ ตัณหาโทมนัสก็คือโทสะเนี่ยนะก็เนื่องจากอากุศลที่มันเกิดแต่อกุศลเหล่านั้นก็เพราะไม่ไม่ทำปริญญาในวัตถุแห่งอภิชาไม่ทําปริญญาในวัตถุแห่งโทมนัสนั้นอวิชาและโทมนัสจึงเกิดแล้วเกิดเล่าอันการเจริญกุศลธรรมเพื่อเอากองทุกทั้งมวลมาทําปริญญานั้นจึงเป็นข้อปฏิบัติที่เรียกว่าป้องกันทุกข์ด้วยคนสนนนะัมมวลนี การทําปริญญาเนี่ยนะคนที่ยังไม่ทุกถ้าเอาวัตถุมาทําปริญญาจนเสร็จจะไม่ทุกขคนที่เป็นทุกอยู่ถ้าทําปริญญาในตอนที่เป็นทุกขความทุกก็จะลดลงนันะแล้วก็ถ้าทําปริญญาถึงที่สุดหมดทุกเลยแก้แก้ทุกได้จริงๆแต่ทําว่าทุกในที่นี้คือทุกในในวัตฏะเนี่ยนะเพราะโจทย์จริงๆที่ตั้งไว้คือทุกในวัตฏะเดี๋ยวก็บอกว่าอ้าวเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังปวดหัวอย่างเงี้ยนะอันนี้คนละประเด็นกัน แล้วก็หมดเวลาแล้วนะ